3. ทุตุลลาวจาศิกษาบทว่าด้วยการพูดเกี่ยวหญิงเรื่องพระอุทายี 283. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีอยู่ในป่า วิหารของท่านสวยงามน่าดูน่าชมหญิงจำนวนมากพากันไปที่วัดเพื่อชมวิหารพากันเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าพวกดิฉันต้องการชมวิหารของพระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะท่านพระอุทายีพายหญิงเหล่านั้นชมวิหารพูดชมบ้างพูดติบ้าง ขอบ้างอ้อนวอนบ้างถามบ้างถามซ้ำบ้างบอกบ้างสอนบ้างด่าบ้างพาดพิงทวารหนักทวารเบาของหญิงเหล่านั้นพวกหญิงที่ไม่กลัวบาปใจถึงไม่มีอย่างอายบ้างก็ยิ้มพรายบ้างก็พูดยั่วบ้างก็กระซิกระซีบบ้างก็กระเซากับท่านพระอุทายีส่วนพวกหญิงที่มีความละอายใจ ก็เลี่ยงออกไปแล้วฟ้องภิกษุทั้งหลายว่าท่านเจ้าข้าคำเช่นนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรสามีพูดเช่นนี้พวกเราก็ยังไม่ชอบนี่พระคุณเจ้าอุทายีมาพูดได้อย่างไรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่าการศึกษาจึงพากันตำหนิประนามพลธ น, นาว่าฉนาท่านพระอุทายี จึงพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทาญีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ